แม้ว่าเรื่องราวของเราต้องจบตรงที่เธอกระทำแม้ว่าฉันยังไม่อาจจะเข้าใจฝืนยอมรับความเป็นจริงเมื่อถุกเธอทิ้งไปไม่ลา ฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ย้อนมามาหามาอธิบายเหตุผลที่เธอไปมาอธิบายเหตุผลที่เธอเปลี่ยนมาอธิบายเหตุการณ์หมืน่นแสนล้านอย่างที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจ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 ฉันรู้ว่าเธอกับคงไม่ย้อนมาม า, ามาอธิบายเหตุผลที่เธอไ ป, มา อ, าอปมาอธิบายเหตุผลที่เธอเปลี่ยนมาอธิบายเหตุการณ์หมื่นแสนล้านอย่างที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจ ต้องเป็นคนเจ็บใจและคนที่คิดไม่ออกหากไม่รับรู้และช่วยบอกกันสักคำ บอกเป็นสักคำเหตุผลที่เธอเปลี่ยนบอกเป็นสักคำที่ทำให้ฉันเข้าใจที่เธอทำกับฉันบอกเป็นสักคำเหตุผลที่เธอไปบอกเป็นสักคำเหตุผลที่เธอเปลี่ยนบอกเป็นสักคำที่ทำให้ฉันเข้าใจที่เธอทำ หากไม่รอบกวนช่วยบอกกันสักคำ